เรื่องคุณ ญ, ญาตานะิเป็นเรื่องสําคัญในชาวพุทธฝ่ายเหนือเหมือนกับเรื่องอนัตตาอันเป็นเรื่องสําคัญในชาวพุทธพุทธฝ่ายใต้แต่ความจริงคำว่าคุณ ญ, ญาตาก็มีใช่ในคำทีฝ่ายใต้เป็นอันมากไม่ใช่ว่าไม่มีถึงกับจัดขึ้นเป็นหมวดหมู่หนึ่งเป็นหมวดที่ว่ า, ญญ า, าด้วยคุณญตาโดยเฉพาะแล้วก็เกี่ยวกับสมาบัติอันเป็นที่อยู่ของพระพุทธองค์ก็ จะตรัสว่าพระองค์มีปกติอยู่ด้วยสุญญาตาสมาบัติแม้แต่ในเรื่องการวิโมก ค, คือความดุจพ้นก็แจ ก, กออกเป็นวิโมกสามมีอนิมิตาวิโมก อ, อปนหิตาวิโมกแล้วก็สุญญาตาวิโมกเป็นวิโมกสามเดียกันเพราะฉะนั้นหนึ่งสุญญาตาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่จํากัดเฉพาะในฝ่ายมหายานความจริงก็เป็นธรรมะพื้นพื้นทั่วไป เพราะฉะนั้นถ้าสุตในฝ่ายเทรวาทเมื่อไม่เคคุ้นกับคําำปุญญาตาบางทีความเข้าใจในเรื่องสุญญาตาก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความจริงได้ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าคําำปุญญตานี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรสุญญาตากับนักติตาในภาษาบาลีใช่แตกต่างกันนักติตาเป็นคําปฏิเสธว่าไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงแต่สุญญาตานั้นไม่ได้เป็นคําปฏิเสธว่าไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นการียทําความเข้าใจในเรื่องลาาของภาษาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในการศึกษาธรรมะหมวดนี้เราจึงต้องฉีดความแตกต่างของนัตติตาคำหนึ่งกับสุญญาตาคำาคำหนผู้ที่มีทิฏฐิในเรื่องสุญญาตาไม่ได้จัดเป็นวิชาทิฏฐิเราคำว่าสุญญาตานั้นเป็นตับเทคนคเกิรเทอมที่ใช้กันเฉพาะในวงของชาวพุทธ ไม่ได้ใช้กันในหมู่พาหิระรัติถ้าในหมู่พาหิระรัติแล้วเขาใช้คําว่านัตติตาอุเฉทะซึ่งหมายถึงคำปฏิเสธสภาวะอย่างขาดไม่มีอะไรเลย ว, เว่างปฏิเสธว่างเปล่าอย่างอากาศสาัพพะจึงจะเป็นลักษณะที่เรียกกันว่านัตติตาหรืออุเฉทะคือไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิงเลยแต่คําว่าพุญธิานั้นไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรอย่างสิ้นเชิง คำนี้เป็นแต่เพียงคำปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยตัวมันเองชนิดที่ไม่ต้องแอบพิมพ์อาศัยเหตุปัจจัยแปลว่าสุญญาตาเพราะนั้นถ้าจะตั้งคําถามว่าสุญญาตาแปลว่าอะไรก็แปลว่าสุญญาตานั้นหมายถึงคําปฏิเสธสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่โดยลําพังตัวมันเองแต่ไม่ได้ปฏิเสธ สภาวะที่อาศัยแอบจิงด้วยเหตุด้วยปัจจัยปรากฏขึ้นอันนี้เป็นคําแตกต่างของความหมายคําว่าสุญญาตากับนักติตาในฝ่ายพาหิระละทัทธิพราะฉะนั้นคนที่พ่อพูดถึงหนึ่งศก็เป็ น, นึกนถึงเลขศูนย์คือเลขว่างเลขเปล่าๆไม่มีอะไรไม่มีมูลค่าแต่ความจริงสุญญาตาไม่ได้หมายถึงเลขศูนย์อย่างในวิชาเลขคณิตที่หมายถึงว่าไม่มีคุณค่าอะไร ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเป็นเพียงแต่คําปฏิเสธสิ่งที่เป็นนิจจั์นิจจ์สภาวะโตสิ่งที่เป็นภาวะที่เที่ยงอยู่เป็นนิจที่เป็นอยู่โดยลําพังตัวมันเองอที่เป็นขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยอิเหตุปัจจัยสิ่งนี้ต่งางกที่พุทธศาสนาปฏิเสธและเรียกว่าสุญญาตาคือว่างเปล่าจาก ความเป็นอยู่โดยลําพังตัวมันเองแต่ความเป็นอยู่ใดที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งให้มีขึ้นเป็นขึ้นความเป็นอยู่ที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นมิได้ปล่อยถูกปฏิเสธด้วยถ้าใครไปปฏิเสธสภาวะที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีขึ้นแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นฝ่ายนักิตาคือฝ่ายที่เห็นขาดศูนย์ว่างเปล่า ครั้งนี้ในภาษาไทยเราเอาคำว่าสุญญาตาในภาษาบาลีสันสกฤตไม่ใช่แล้วก็แปลความหมายในทางที่เดีย ว, ว่าไม่มีอะไรปฏิเป็นคำปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องสุญญาตาอย่างนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่ามูลราชของพุทธศาสนานั้นได้ปฏิเสธอัตตาตัวตนอัตตาหนา มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบหนึ่งเรียกว่าความยึดถือในตนนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ยึดถือในธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสุญญาตาซึ่งเป็นอาวุธสําหรับปราบความยึดถือนี้ทางมหายาณจึงได้จัดออกเป็นสองหมวดเรียกว่าปุคละสุญญาตาประเภทหนึ่งเรียกว่าพรรมะสุญญาตาอีกประเภทหนึ่งเป็นสอประเภทด้วยกัน บุคลาศูญญตานั้นได้แก่การเพิกถอนความยึดถือว่าเป็นตนเป็นเขาเป็นเราความยึดถืออย่างนี้ยึดเมื่อปล่อยวางเท่าได้ก็เรียกว่าบุคลาศูญญตาคือบุคคลศูญย์หาสัจธาบุคคลไม่ได้อย่างภาสิทธิ์ของนางวชิราภิสุณีที่กล่าวว่าเพราะความประชุมแห่งขันการบัญญัติว่าสัจบุคคลจึงมีขึ้น เหมือนกับการประชุมของล้อรถเทารถองกรพายยกของรถเมื่อประชุมพร้อมแล้วคําว่ารถจึงปรากฏขึ้นชั้นใดเพาเหตุที่ขันทั้งหลายมีอยู่การบัญญัติว่าเป็นตัดเป็นบุคคลจึงเกิดมีขึ้นชั้นนั้นแต่โดยประมาทแล้วมีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไป อื่นจากทุกไม่มีอะไรเกิดอื่นจากทุกไม่มีอะไรดับคําว่าทุกในภาสิตขุงนางวชิราภิสุณีคํานี้ไม่แทนหมายถึงความเศร้าโศกเสียใจไ ม, ไม่ได้หมายถึงความทุกข์ทางใจคําว่าทุกนี้หมายถึงทุกขกับสภาวะคือสภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงคนอยู่ในภาวะเดิมของมันไม่ได้ไม่สามารถที่จะรักษาคุณสมบัติเดิมของมันไม่ได้ ภาวะเหล่านี้ชื่อว่าเป็นทุกข์ทุกข์แปล ว, ว่าไม่สามารถทนต่อคุณสมบัติเดิมของมันได้พูดง่ายๆว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ทุกข์กับความไม่เที่ยงนั้นถ้ามองโดยสายตาปรมัตา์แล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยอันใดเป็นทุกข์อันนั้นก็ต้องไม่เที่ยงอันใดไม่เที่ยงเราอันนั้นก็ต้องเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงหรืออนิจจังนั้นหมายถึงภาวะ ที่ไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมความเปลี่ยนไปส่วนทุกขังหมายถึงสภาพที่ไม่สามารถจะทุณทานต่อคุณส ม, มบัติเดิมของมันได้จะต้องแปรไปเพราะฉะนั้นสับวสองสัตว์นี้จึงอาจจะเป็นไวยพธใช้แอบอิงคู่กันได้สดเสมอไม่จำเป็นจะต้องพูดมาควบคู่กันถ้าพูดถึงว่าไม่เที่ยงแล้วก็ต้องหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกถ้าพูดถึงว่าเป็นทุกแล้วก็ต้อหมายว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยง เพาเหตุที่ว่าไม่เที่ยงกัเป็นทุกข์นี่แหละจึงเป็นสุญญาตาจึงเป็นสุญญาตาที่เป็นสุญญาตานะมหมายความว่าคุณสมบัติดั้งเดิมของมันนั้นมันไม่สามารถจะรักษาคุณสมบัตินั้นไว้ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปทนในสภาพเดิมมันไม่ได้สิ่งใดที่ทนในสภาพเดิมมันไม่ได้สิ่งนั้นจึงเป็นสุญญาตาเราะคําว่าสุญญาตาแปลว่าไม่มีภาวะใดที่เป็นอยู่มีอยู่โดยตัวมันเอง ไม่มีภาวะใดที่เป็นอยู่มีอยู่โดยที่ไม่ต่องอาศัยเหตุปัจจัยมาปรุงแต่งขึ้นคํานี่ไปว่าถุสัญญาตาอย่าเป็นนึกวัตถุญญาตาแล้วว่าไม่มีอะไรถ้าเป็นนึกวัตถุญญาตาแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นเลขศูนอย่างในวิชาเลขคณิดแล้วความปัจจัยอันนี้เป็นความปัจจัยที่ผิดทลาดในพุทธศาสนามีมีทศูนย์ที่แสดงถึงหนึ่งสุญญาตาโดยเฉพาะคือเรื่องมหาสุญญาตศูตรกับจุลสุญญาตศูตร เป็นการแสดงเกี่ยวกับหลักสุญญตาโดยเฉพาะและสุญญตานี้มีเป็นชั้นชันเป็นขั้นขั้นเป็นชั้นชั้นเป็นขั้นขนทางมหายานจึงได้แบ่งเป็นสองขั้นคือขั้นปุขละสุญญตาพวกหนึ่งธรรมสุญญตาพวกหนึ่งอะไรเป็นธรรมสุญญตาธรรมสุญญตานั้นคือความยึดถือในรูปรูปประขันเวทนาขันสัญญาขัน สัญญาขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันวางยึดถือในส่วนปีิย่อยจัดเป็นธรรมเป็นความยึดถือในธรรมถ้าจะเปรียบแล้วความยึดถือว่ารถมีอยู่นี่เป็นอาการที่ยึดถือในตนความยึดถือว่ากงมีอยู่ล้อมีอยู่ดุมมีอยู่เพรามีอยู่ อาการที่ยึดโดยจำแนกลายละเอียดลงไปนี่เป็นความยึดถือในธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกประเด็นออกยกตัวอย่างเช่นว่ามนุษย์แลาสัตว์ประกอบในขันห้าความยึดถือว่าในขันห้านี้มีอัตตามีบุคคลมีสัตว์วะมีชีวะความยึดถือในอาการอย่างนี้เป็นความยึดถือในบุคคล ซึ่งจะต้องปล่อยวางให้ศูนย์ไปรียกว่าปุคละศูนยะตาคราวนี้เราไม่ยึดถือในอัตตาในชีวะละแต่ถ้าว่าไปยึดถือในสิ่งที่มาประกอบให้บรรยัติว่าเป็นบุคคลเป็นราวเป็นเขาขึ้นสิ่งที่เป็นรายละเอียดมาประกอบนั้นก็ได้แก่ขันห้บาบางังธาตุทิบแปดบังอเยตนะ1ิบสองบังอาการที่ไปยึดถือว่าอัตตาไม่มีแต่รูปรขันมี อัตตาไม่มีแต่เวทนาขันมีอัตตาไม่มีแต่สัญญาขันมีอัตตาไม่มีแต่สังขารขันมีหรือไปยึดถือว่าอัตตาไม่มีแต่ดินน้ำไฟลมมีอาการที่ไปยึดถือในรายละเอียดอันเป็นสิ่งซึ่งจะมารวมกันเข้าให้บัญญัติว่าเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นนั้นความยึดถืออย่างนั้นดีก ว, ว่าความยึดถือในธรรมในธรรมซึ่งความยึดถือชนิดนี้ก็ต้องทาลายไป เรียกว่าธรรมะสุญญาตาเพราะฉะนั้นเรื่องสุญญาตาจึงมีสองชั้นอย่างห ย, ยาบๆชั้นแรกต้องปล่อยวางในเรื่องบุคคลเป็นปุคละุญญาตาชั้นสองต้องปล่อยวางในความยึดถือในสิ่งอุปกรณ์รายละเอียดปลีกย่อยจากบุคคลลงไปอันได้แก่ขันห้าธาตุสิบแปดอายตนะสิบสองเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าธรรมะสุญญาตาเป็นสองชั้นด้วยกันในลักษณะที่เป็นสองชั้นนี้ สัตว์งธรรมะเราก็เรียก <h> <im itation> ว่าอาหางการและมมังการความยึดถือในบุคคลเป็นอาหารการความยึดถือในธรรมเป็นมมังการเป็นมมังการสองชั้น <c ười> คือว่าเ <im itation> มื่อมีความยึดถือในบุคคลก็ <im itation> <im itation> มีความยึดถือหนึ่งในของของตนเช่นว่าเอาละเราเลิกว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวฉันฉันไม่ยึดถือตัวฉันแต่ว่าฉันจะยึดถือในของของฉันเช่นว่ารูปก็เป็นของฉัน เวทนาก็เป็นของฉันฉันไม่ยึดถือแต่จะยึดถือของของฉันอการที่ว่าฉันจะไม่ยึดถือและจะยึดถือของของฉันนี่แหละไอ้ของของฉันอันนี้เรียกว่ามามังการสิ่งซึ่งเรียกว่าเกี่ยวกับตนคราวนี้เมื่อผู้ใดสามารถทําลายอาหางการได้ผู้นั้นก็สามารถทําลายมมังการได้เป็นเงาตามตัวผู้ใดทําลายมมังการได้ผู้นั้นก็ทําลายอาหางการได้เป็นเงาตามตัวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไม่มีฉันแล้ว จะมีของของฉันได้อย่างไรการที่มีของของฉันเกิดขึ้นก็เพราะมีฉันอันเป็นต้นเข้าเหมือนกันถ้าไม่มีของของฉันแล้วฉันก็มีไม่ได้เราะอันนี้จึงเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าเมื่อพุทธศาสนาวิวัฒนาการมาถึงขั้นที่มีลัทธินิกายต่างลัทธิต่างอาจารย์แตแกแยกกันออกมา การตีความธรรมะในหนึ่งสุญยตาของบรรดาอาจารย์เหล่านี้ก็เกิดการขัดแย้งกันขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่ามีนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายสรวาปฏิวาทะนิกายนี้ได้กเกิดขึ้นหลังจากพุทธปริญิพานแล้วสามร้อยปีเศษอาจารย์ในนิกายนี้ตีความว่าฉันเราเขามีไม่ได้ถูกแล้ว แปลว่าสิ่งที่มาประกอบให้บัญญัติว่าฉันเราเขานั้นจะพลอยเป็นศูนย์ไปด้วยก็หาไม่เพราะถ้าสิ่งที่เราเอามาเป็นเครื่องมือสําหรับบัญญัติสัตว์บุคคลเราเขาคลอยไม่มีไปด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตั้งประทัดฐานของคําบัญญัติลงไปว่าอันนี้เราจะบัญญัติว่าเราอันนี้เราจะบัญญัติว่าเขาอันนี้เราจะบัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล เปรียบเหมือนบุคคลที่ต้องการจะปลูกตึกถ้าหาว่าไม่มีที่ให้ปลูกสําหรับให้รองรับวัตถุ ก, ก่อสร้างสรัพยาระต่างๆอันจะเป็นสิ่งประกอบกันเป็นตัวตึกแล้วตึกจะปลูกขึ้นในท่ามกลางสุญญากาศห้ามกลางความว่างเปล่าไม่ได้ชั้นใดตัดหนุคนแม้จะเป็นคําสมมุติบัญญัติไม่มีจริงโดยปรมัษฎี แต่ทว่าสภาวะของขันธาตาดอายตนะอันเป็นสภาวะประมาทนั้นจะต้องเป็นสิ่งยืนรองสำหรับให้คำสมุติบัญญตัติไปถือเอาถ้าไม่มีสิ่งยืนรองเหล่านี้แล้วเราจะไม่สามารถที่จะใช้ถ้อยคำโมหันใดๆไปบัญญัติภาวะใดๆขึ้นมาว่านี่เรียกว่ารู ป, ปรขันนี่เรียกว่าเวทนาขันนี่เรียกว่าสัญญาขัน นี่เรียกว่าสังขาระคันนี่เรียกว่าวิญญาณระคันได้เลยหรือไม่สามารถที่จะบัญญัติชี้ลงไปได้ว่านี้เป็นปัตวีมหาพูดนี่เป็นวายโอมหาพูดนี่เป็นเตโชมหาพูดนี่เป็นอาโปมหาพูดลงไปได้เพราะฉะนั้นสภาวะตระมัดนั้นจะต้องมีอยู่เช่นคําว่าดินหรือปัตวีคําว่าดินหรือปัตวีนั้นเป็นบัญญตัติแต่คําว่าสภาวะประมัด ของดินนั่นจะต้องมีอยู่หาได้เป็นบัญญัติไม่จะต้องเป็นสภาวะประมัตดมีอยู่สิ่งนั่นคืออะไรคือสภาวะแข็งแข็งปัจจุวีย่อมมีความแข็งแข็งเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นจีนแขกฝรั่งไทยยวนแม่เรียกคําบัญญัตินี้แตกต่างกันจีนเรียกไปอย่างหนึ่งไทยเรียกไปอย่างหนึ่งแขกเรียกไปอย่างหนึ่งแตกต่างกันก็จริงไม่เข้าใจกันเลยสิท่าน แต่เมื่อทุกๆคนมาสัมผัสกับปื้วีท่าที่แล้วทุกคนจะมีความเข้าใจตรงกันหมดว่าไอลักษณะที่แข่นแข็่งนี่แหละเป็นดินไม่ว่าจีนไทยฝรั่งลาวยวนจะต้องเกิดความเข้าใจตรงกันหมดว่านี้เป็นดินถึงแม้คำบรรยัติศัตท์จะเรียกแตกต่า ง, งไปตามในาย่าของภาษาข็จะนั้นด้วยเหตุสิ่งที่ศูนย์ ก็คือบัญญัติโมหานต่างๆคือคําว่าดินเนี่ยไม่มีสภาวะแต่ธาตุดินจะพรอยไม่มีสภาวะก็หาไม่ได้เพราะถ้าธาตุดินจะพรอยไม่มีสภาวะไปด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชื่ออะไรว่าอะไรเป็นดินแตกต่างจากไฟอะไรเป็นไฟแตกต่างจากน้าอะไรเป็นน้ําแตกต่างจากลมเพราะเหตุนั้นในกายสรวาสีวะจึงถือว่าบุคคล ศูนย์ได้อัตตาศูนย์ด้แต่เพราะว่าสภาวะที่มาประกอบให้บัญญัติคําว่าบุคคลว่าอัตตาว่าสัตวะว่าชีวะจะคอยเป็นศูนย์ด้วยกว็าหาไม่นั่นก็คือนิกายนี้ยอมรับแต่ปุคละศูญญตาไม่ยอมรับอรมะศูญญตาคือธรรมะจะศูนย์ไม่ได้ธรรมะในที่นี้น่ะหมายถึงทั้งสังขารธรรมวิสังขารธรรมทั้งหมดไม่ใช่หมายถึงโลกุตตรธรรมอย่างเดียว จะพลอยเป็นของไม่มีสภาวะด้วยก็หามิได้จะต้องเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ดำรงอยู่นี่เป็นทัศนะของนิกายสรวาสวาทินต่อมาในสมัยที่มีพระธิมหายานแล้วฝ่ายมหายานหนึ่งอยู่ในกายหนึ่งเรียกว่าโยคาจาระวิชยานาวาทินซึ่งเรียกเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นโยคาจารไอเดียดิสม เป็นฝ่ายมโนภาพนิยมในพุทธศาสนานิกายโยคาจาระไอเดียดิสมัมเนได้ให้ทัศนะว่าสิ่งทั้งหมดที่ปรากฏแก่ทางอยายตนะสัมผัสของเรานั้นไม่มีสภาวะเป็นอยู่จริงเลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่ภาพสะท้อนที่ออกไปจากจิตของเราสิ่งที่มีอยู่จริงนั้นคือจิตหาได้ศูนย์ใหม่ สิ่งที่ศูนย์ก็คือสิ่งที่เป็นภาพมายาอันเป็นภาพสะท้อนออกไปจากจิตของเราเพราะฉะนั้นนิกายนี้จึงเป็นฝ่าย subjective idealism ถ้าจะจัดก็เป็น subjective idealism คือมโนภาพนิยมในฝ่ายที่ถือเอาใจของตัวเป็นประธานเป็นใหญ่ไม่ใช่ objective idealism ปรัชญา idealism หรือมโนภาพนิยมนั้นเขาแบ่งเป็นสองสาขาใหญ่ สาขาหนึ่งเรียกว่า subjectivism อีกสาขาหนึ่งเรียกว่า objectivism e อา น, นิกายโยคาจารวิชยานวาพินนั่นเป็นฝ่าย subjectivism e d e a i คือถือว่าโลกทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่เงาสะท้อนของจิตเป็นเพียงความตรึงตราของจิตที่ส่งปฏิกิริยาออกไปเป็นจักรพบแห่งชีวิตขึ้นแล้วจิตนี้เอง ก็กลับเอาโลกที่ตัวสร้างนั้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็สร้างเวีนสร้างตามประกอบกุศลอกุศลละตมต่อไปเวียนวนกันอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจิตเกิดโลกก็เกิดจิตดับโลกก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งจริงแท้หรือสภาวะที่เป็นปรมตาจึงมีแต่จิตหรือเรียกในภาษาภาษาอังกฤษว่วิชยานมมีแต่อันนี้อันเดียวที่เป็นของจริงแท้ ส่วนภาวะนอกเหนือไปกว่านี้ล้วนเป็นสุญญตาทั้งนั้นวิมิสุญญตาทั้งนั้นไม่มีสิ่งมีอยู่โดยแท้จริงเลยนี่เป็นทัศนะของนิกายพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่งคือนิกายโยคาจาราไอเดียดิสม์หรือเรียกกันว่านิกายวิทยานิวาทินอันเป็นฝ่ายสักเซ็ปตีไอเดียดิสมนิกายเนี่ยต่อมาอีกได้มีนิกายพุทธศาสนาอีกนิกายหนึ่งในมหายาณเรียกว่ามาธยมิกานิกายนิกายมาธยมิกา นี่กายมาชยมิกานีได้มีทัศนาเห็นว่าแท้จริงที่เราถิดว่าโลกมีหรือโลกไม่มีนั่นเป็นความเข้าใจผิดสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีก็าตามสิ่งที่ไม่มีก็าตามรวนแต่เป็นมายาทั้งสิ่นรวมทั้งใจทั้งเราด้วยก็เป็นมายาหลงตะลึงเห็นโลกไวว่ามีว่าเป็นอย่างนั้นเองเพราะนาอนาจธรรชาเรียบเหมือนคนที่หลับและฝันไปโลกคือความฝัน เพราะฉะนั้นความเป็นไปต่างๆหรือกรรมต่างๆที่รางกฎในความฝันนั้นจึงไม่เห่เป็นของจริงเลยเหตุนั้นในกายมาธยมิกะจึงสอนว่าเรื่องสุญญตาจะต้องเป็นทั้งสุขะสุญญตาด้วยจะต้องเป็นทั้งธรรมะสุญญตาด้วยคือนอกจากสตุคล์เราเขาจะไม่มีจริงแล้วขันธ์ธาอเยตนะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีจริงสิ่งที่ทางอภิธรรมบอกว่ามีจริง นิกายมาธยมิกะว่าไม่มีจริงสิ่งที่ทางอภิธรรมบอกว่าไม่มีจริงทางมาธยมิกะถือว่าสิ่งนั้นเป็นความฝันเพราะฉะนั้นจริงจึงมีทั้งจริงสมมุติกับจริงปรมตาแต่ในลักนะของนิกายมาธยมิกะทั้งจริงสมมติทั้งจริงปรมตานั้นเป็นมายาหมดเป็นความฝันหมดเป็นสุญญตาหมดนิกายนี้จึงมีคําเรียกว่าสภาวะธรรมาูญยตาลักษณะ ทำทั้งปวงมีความสูญเป็นลักษณะที่ว่ามีความสูนเป็นลักษณะนะเพราะว่าสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏแก่เราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเลยสิ่งใดก็ตามที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีภาวะคงที่ในตัวมันเองสิ่งใดไม่มีภาวะคงที่ในตัวมันเองสิ่งนั้นก็เป็นขจิตาแต่อาจารย์ที่ปฏิเสธเช่นนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายสนับสนุนนักทิศทิศที อ, อุเฉตทิฏฐิก็หาใหม่นักธิกาทิฏฐิกับอุเฉตทิฏฐินั้นแตกต่างกับปรัชญาในฝ่ายมาเทยมิกาถ้าเหตุที่ว่าปรชาาัชญาในฝ่ายมาเทยมิกานั้นเป็นปรัชญาลักษณะคล้ายคลึงกับสัมพันธภาพของไอสไต์นักสาววิทยาศาสตร์ไอสไต์ซึ่งค้นพบกฎแห่งสัมพันธภาพในศตวรรษที่ที่แล้วมาแต่ว่าความจริงในข้อนี้คณาจารย์ชาวพุทธในกายมาหายาในกายมาเทยมิก แต่ค้นพบความจริงข้อนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นว่าความยาวกับความสั้นถ้าตั้งปัญหาถามเราว่าความยาวมีไหมความสั้นมีไหมเราคงตอบว่ามีความยาวก็มีความสั้นก็มีแต่อาจารย์ในนิยายมาทรายมีกะบอกว่ามีมีนะทั้งยาวทั้งสั้นเพราอะไรที่ว่ามีมีเพราะว่าเรารู้ความยาวว่าเป็นความยาวก็เพราอาศัยความสั้นเป็นเครื่องเทียบใช่ไหมความยาวจึงปรากฏ ในขณะเดียวกันเราลูบความสั้นว่าเป็นความสั้นก็เพราะอาศัยความยาวเป็นเครื่องเทียบใช่ไหมความสั้นจึงปรากฏเพราะฉะนั้นความยาวก็ไม่มีความสั้นก็ไม่มีมันมีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งมาสัมพันธกับเข้าม่เทืะที่ต่างกันในกาละที่ต่างกันอยกตัวอย่างเช่นว่าคนไปเทียบกับภูเขาคนก็เทาสมมติตัวหนึ่งกับเขาหิมาลัยเอเวอเรสต์แต่ถ้า คนปีนเขาเอเวอเรสต์สำเร็จไปยืนอยู่เหนือยอดคนสูกว่าเขาเอเวอเรสต์อีกนี่แปลว่าเทสะที่ตั้งมันต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นความยาวความสั้นจึงเป็นเรื่องหลอกลวงเปนเรื่องลวงโลกไม่มีภาวะความมีอยู่เป็นอยู่จริงเลยมีแต่ความเป็นมายาทั้งนั้นและเพราะเหตุที่ความเป็นมายานี่แหละจึงชื่อว่าสุญญตาเพราะความยาวมีอยู่ความสั้นจึงมีในขณะเดียวกันเพราะความสั้นมีอยู่ความยาวจึงมีถ้าเรารู้เราจะรู้ความยาวก็ต้องอาศัยความสั้น เราจะรู้ความสั้นก็ต้องอาศัยความยาวนั่นก็คือทั้งความยาวความสั้นนั้นเป็นของไม่มีจริงเลยมีขึ้นเพราะอาศัยการเปรียบเทียบอาศัยความสัมพันธ์ของสิ่งของสิ่งนี้ในเทศะที่ต่างกันในกาละที่ต่างกันแล้วเราก็เรียกกันว่านี่สั้นนี่ยาวแต่โดยประมัดแล้วภาวะที่เป็นสั้นก็ตามที่เป็นยาวก็ตามล้วนเป็นปุญญาตาว่างเปล่ปาเปล่าจากคุณสมบัติ ที่มีอยู่เป็นอยู่ในตัวมันเองคือพู้ไม่ไอความว่างเปล่าไม่ไม่ใช่ไม้ความว่าไม่มีเชือกยาวเชือกสั้นไม่ใช่อย่างนั้นไมายความว่างเปล่าจากภาวะที่มีความยาวอยู่จริงๆหรือว่างเปล่าจากภาวะที่มีความสั้นอยู่จริงๆว่างเปล่าอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าวสิ่งนั้นทลอยไม่มีไปด้วยทำอย่มงนี้แล้วเราจะเอาอะไรเป็นอารมณ์ล่ะก็เราเห็นโลกทุนโผ่ทุกวี่ทุกวันอย่างนี้พูดกับคนโน้นพูดกับคนนี้สัมผัสสิ่งโน้นสัมผัสสิ่งนี้ เรจะมาสร้างหลักประัชยาหลอกตัวเองได้ยังไงว่าไอ้สิ่งที่เราสัมผัสนี่เป็นของไม่มีเป็นอากาศสภาผัไม่ได้ความจริงในพุทธศาสนาไม่ใจะเป็นสิ่งที่สํานับมารวงรวงใจเราไอ้ของมีบอกว่าไม่มีแต่ที่ว่าว่างเปล่านี่หมายความว่าว่างเปล่ า, าจากคุณสมบัติของความเป็นของยาวกับความเป็นของสัน้นความยาวความสั้นไม่มีมันมีแต่ไอ้สิ่งหนึ่งที่อาศัยปัจจัยความสัมพันธ์กันนั่นเอง ที่เรารู้ว่ายาวก็เพราะอาศัยสั้นเทียบที่เรารู้ว่าสั้นก็เพราะอาศัยยาวเทียบนั่นก็คือทั้งยาวทั้งสั้นนี่นมีเลยมีแต่อศัยความเสียบเทียมนั่นเองจึงมียาวมีสั้นเกิดขึ้นนี่เรียกว่าสุญญาตาในนิกายมาเทียมิกา น, นี่ไปเรื่องสุญญาตาในใ น, ในนิกายมาธทียมิกะเพราะนั้นเราจึงได้ความข้อสรุปว่าอามติประชญาในนิกายพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็นสามมติใหญ่มติหนึ่ง หรือว่าบุคคลศูนย์แต่ทําไม่ศูนย์ทำในที่เนียได้แก่พวกธรรมัติสภาวะต่างๆเห็นว่าปัทวีเตโชวาโยอาโปขันธาตุอเยตนะสิ่งนี้เป็นธรรมัติสภาวะมีอยู่จริงจริงไอสิ่งที่ศูนย์ะเป็นเพียงแต่อัตตาเราเท่ า, านั้นเองแต่ขันธาตุอเยตนาจะพลอยศูนย์จะบอกว่าศูนย์ไม่มีภาวะในตัวมันเองไม่ได้ทําไม่มีภาวะในตัวมันเองแล้วทําไมฝรั่งไทยเจ๊กจีนยวนแขกถึงจะรู้เรื่องวันนี่มันดินละ่ะ ถแม้ภาษาจะเรียกแตกต่างกันแต่ความเข้าใจตรงกันเนี่เอามือแย่มาในไฟก็ร้อนนี่เป็นของร้อนอาการที่เป็นอุณาเตโชสีสตเตโชนี่อาการที่รู้โดยทางใจนี่แหละเป็นประมาทสภาวะประมาทสภาวะนั้นเป็นอานิทัศนะบางอย่างเป็นอานิทัศนะอัปติคะเช่นอาโปทาอาโปตามความหมายในทางอภิธรรมถือว่าเห็นไม่ได้สัมผัสไม่ได้ ที่เราสมัมผัสเราอาจจะผิงหมดทำไมจะสมัมผัสไม่ได้ปักตักน้ำมาขันมือแย่ไปก็รู้ว่านี่มันเปียกแล้วบอกสมัมผัสอาโูไม่ได้ทํำไมว่างั้นล่ะเปล่ า, ลาเลยที่เราเอามือแย่ไปนี่มันเปียกขึ้นมาอ่ะอาการที่เราแย่ไปน่ะกระพบสุกเทวีแ ล, วแล้วแล้วรู้สึกว่าน้านี่เย็นน่ะเป็ น, เ ป, นเป็นสีตะเตโชคือเป็นอุณห ภ, ภูมิอุณหภูมิต่ําเป็นสีตะเตโชอุณหภูมิสูงเป็นอุณหาเตโชเพราะฉะนั้น ความเย็นความร้อนนี่นะความเย็นความร้อนเนี่ยความจริงยเป็นมาจากอุณหภูมิอย่างเดียวอุณหภูมิอุณหภูมิตามตับจะบอกแล้วว่าเกี่ยวกับเตโชธาเพราะฉะนั้นที่เรารู้ว่าน้ําเย็นน้ำร้อนต่เพราะอาศัยเตโชธาเตโชแบ่งเป็นสองชนิดชนิดหนึ่งเรียกว่าสีตะเตโชเรียกว่าไปเย็นไฟเย็นในที่นี้ไม่ปรากฏเปลวไม่ปรากฏ รากแต่อาการที่มันลดระดับจากความผ e ดร้อนมันลงมาเพราะนั้นอาการที่ร้อนน้อยเราเรียกกันว่าเย็นอาการที่ร้อนสูงเราเรียกว่าร้อนความร้อนอุณหภูมิเนี่อุณหภูมิตม่ําเราเรียกว่าเย็นจนกระทั่งมันต่ำกว่าศูนมันก็กลายเป็นน้าแข็งแต่ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นน้ําแข็งมัมดแหละมันมีเตโชธาตุอยู่ในนั้นเพราะเตโชธาตุนั้นเกี่ยวกับอุณหภูมิ อย่าไปเลงว่าเตโธท่าแต่แก่เปลวไฟแต่แก่กองไฟดวงไฟไอ้นั่นที่เราเห็นว่าเป็นไฟน่ะเป็นสีเป็นวรรณนรูปที่เราเห็นว่าเป็นไฟแต่เป็นวรรณนรูปไฟจริงๆเห็นไม่ได้ไปอานนิทัศนาแต่องผัดได้ไฟจริงๆอ่นนิทัศนะสัพติคัรูปไฟเนี่อ่นีิทัศนะคือเห็นไม่ได้แต่เป็นสัพติคะคือกระทบได้อากาศร้อนอากาศเย็นกระทบได้เนี่ยเรารู้ ที่เห็นอะเราก็ทำไมยังไม่เห็นในเตาไงล่ะเวลาหุงข้าวเราไม่เห็นไฟได้เหรอไอ้ที่เห็นนี่ยทางอภิธรรมถือว่าเป็นวันหน้าสีตาเห็นสีต่างสีวันหน้ารูปตาเห็นสีไม่จะเห็นธาตุไฟธาตุไฟเป็นธาตุปรมาสจะต้องกระทบอย่างเดียวถึงรู้นะที่เห็นเป็นเปลวอะไรขึ้นมาน่ะเป็นเพียงสีเรียกว่าวันหน้ารูปเป็นสีต่องนี่เป็นเตโชปรมัาส เพราะฉะนั้นในน้ําจึงมีทั้งปฏิกิริเตโววาโยน้ำํำเราอาบน้าเป็นขันขันข น, น้ํารถสู้สู้ตัวเย็นปบายแล้วบอกจะไม่กระทบน้ำได้ไงไอคิดเรารู้ว่าน้ํากระทบเราสู้สู้นี่แหละกระทบปฏิกิรล่ะถ้าไปอาบน้ําร้อนเป็นอุณหอุณหะเตโวถ้ากระทบน้ำเย็นก็เป็นสีตะเตโวนี่ธาตุไฟในน้ํามันกระทบ อาการที่น้ำมันเกาะกลุมกันได้เกาะกลุมกันได้เป็นอำนาจของปัทวีปัทวีธาตุซึ่งมีสภาพเกาะกุมอาการที่น้ำมันไหลเละไปได้เป็นอำนาจของวายโยธาตุเพราะนั้นไม่อัอโปโปรจริงๆน่ะอภิทัศนะอปิติฆะเห็นก็ไม่ได้กระทบก็ไม่ได้สิ่งที่จเจตเห็น เรากระทบได้ก็มีแต่เซโช ว, วายโอเตะปฐวีนี่ต้องอาศัยกันกระทบถึงจะรู้วายโอก็เห็นไม่ได้เราบอกเห็นอะไปไหมไหวเห็นไปไหมเราเห็นลมที่ไหนใครบ้างเคยเห็นลมไม่มีที่เรารู้ว่ามีลมเน่ะเพราะว่าไปไม้มันไหวนั่นไปไหมมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเงาสะท้อนเป็นเครื่องมือที่ให้วายโอประกาศตัวมันออกมาแล้วลมพัดเข้าไปไหมไหว เร า, ราล้วนลมเย็นก็เพราะว่าลมมันกระทบตัวเราลมมาต้องตัวเราเพราะนั้นตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นลมเลยเราได้แต่กระทบถูกลมกระทบถูกลมเป็นพูดสภาลมอ่าปัทวีวายโยเตโชเป็นผูพ้พดสภาลมกระทบทางกายทวารกายสัมผัสแต่สำหรับอาโปแล้วไม่เป็นทางกระทบ ทางกายสัมผัสได้เลยแล้วก็เห็นก็ไม่ได้เห็นก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เลยว่าที่จริงไปแล้วธาตุทั้งสี่นี่น่ะเห็นไม่ได้ธาตุประมัดทั้งสี่เนี่ยเห็นไม่ได้โดยภาวะประมัดของมันเพราะฉะนั้นนี่กายนี้จึงถือว่าสิ่งที่ศูนย์สิ่งที่ไม่มีภาวะในตัวมันเองได้ก็คือบุคคลสัตราวเขาอันเป็นคำสมมติปัญญัต แต่ขันภาศยจตนะที่ประกอบด้วยประมัติสภาวะอย่างปัทวีเตโชวายโยอาโปโยกตัวอย่างที่ว่ามานี่จะเป็นสุญญตาไม่ได้จะต้องมีอยู่ถ้าภาวะพวกนี้เป็นพอไม่มีคุณสมบัิในตัวมันเองดำรงมั่นในตัวมันเองแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบัญญัติบัตบุคคลในสิ่งอะไรนี่เป็นมติที่หนึ่งมติที่สองได้แก่พวกไอเดียดิสั ถือใจเป็นใหญ่ถือจิตเป็นใหญ่ว่าจิตเป็นของมีอยู่จริงสิ่งที่มาผสมกับจิตหรือสิ่งที่ประกาศออกไปจากจิตจึงเป็นของว่างเปล่าเป็นสุญญตาโลกคือปรากฏการณ์ของจิตที่ทรงเงาสะท้อนออกไปเพราะฉะนั้นโลกหรืออันเป็นอารมณ์เป็นสุญญตาได้แต่ตัวจิตจะคลอยเป็นสุญญตาด้วยก็หาไม่ได้ตัวจิตจะต้องมีอยู่แม้โดยปรมัตฎี กิจเป็นมูลธาตุของโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดอาศัยกิจเป็นประทัดฐานเพราะนั้นสิ่งที่เป็นมูลเดิมธาตุเดิมสิ่งนั้นจะต้องคงอยู่ดำรงอยู่ตลอดไปนี่เป็นมติที่สองมติที่สามเป็นมติของฝ่ายนิกายมาเทยามิกนิกายนี้ถือว่าทั้งบุคคลทั้งธรรมะล้วนเป็นสุญญาตาล้วนเป็นสุญญาตาหมดการที่เราบัญญัต ก็เป็นทุนยานั้นก็เพราะว่าทั้งบุคคลทั้งธรรมะไม่มีสิ่งใดที่ไม่ต้องแอบอิงเหตุปัจจัยต่างๆถ้าอย่างนั้นก็ตั้งปัญหาถามว่าและอย่างนั้นเหตุปัจจัยต่างๆแล่วมันจะมันจะมาจากอะไรไม่สิ้นสุดทุกสิ่งเป็นจุดอนันต์สิ่งนี้อาศัยสิ่งนั้นสิ่งนั้นอาศัยสิ่งนี้เมื่อทุกสิ่งในโลกเป็นความสัมพันธ์กันอย่างนี้แล้วจึงเราจึงไม่สามารถจะชี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นคุณสมบัติเดิม เป็นคุณสมบัติดั้งเดิมที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไม่สามารถชี้ลงไปได้ไม่สามารถชี้ลงไปไ ด, ไาาทไปได้ทุกสิ่งอาศัยความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งอาศัยความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นอย่างยาวอาศัยสั้นสั้นอาศัยยาวเช่นนี้แล้วเราจริงไม่สามารถจะชี้ไพรว่าภาวะของยาวมีจริงๆหรือภาวะของสั้นมีจริงๆได้เลยเพราะอาศัยความสัมพันธ์กันดังนี้นี่ไก่นี่นจึงถือว่าบุคคลก็เป็นสุญญาตา ธรรมะคือขันธาตุไอตนะเราก็เป็นผลญญาตาด้วยเมื่อเป็นสลญญาตาเช่นนี้แล้วก็มีค่าไม่ต่างกับอะไรกับมายาบุรุษคนหนึ่งข่ามายาบุรุษไปอีกคนหนึ่งการฆ่าของมายาบุรุษสองคนก็มีผลคือเป็นมายาด้วยเหมือนกับเลขศูนย์บวกศูนมีค่าเท่ากับศูนย์ฉันได้โลกก็ฉันนะเป็นมายาเดระการเช่นนี้ เหตุที่ว่าเป็นมายาหรือเป็นสัญญตานะ่ะก็เพราะว่ามันอาศัยสิ่งสัมพันธ์กันมีขึ้นไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะแยกออกจากสิ่งสัมพันธ์ดำรงอยู่โดยเอกเทศโดยตัวมันเองได้เพราะเหตุที่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่โดยเอกเทศโดยตัวมันเองได้จึงจัดเป็นศูนย์นี่เป็นมติอิสาะเรืร่องสัญญตาในพุทธศาสนาแล้ ว, ลวก็สรุปออกมาเป็นสามคณะหรือสามทัศนะใหญ่ๆเช่นนี้ถ้า ปัญหาก็มีอยู่ว่าปัจจุบันนี้ในวงการชาวพุทธในประเทศไทยเราได้มีการโต้แย้งปัญหาเรื่องคิดว่าจิตไม่ว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหานี้ไม่นาสัจันเพราะว่าเป็นเรื่องโต้แย้งมาตั้งแต่บ โ, โบราณแล้วอย่างที่ได้อธิบายมาว่าสามนิกายนี่ต่างฝ่ายก็มีทัศนะแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโต้แย้งกันในปัจจุบันน่ะจึงเป็นสิ่งที่ บุรอ า, ารยาแต่กองเก่าก่อนเขาโตกันมาแล้วและเป็นปัญหาซึ่งไม่สิ้นสุดไม่มีผู้ใดที่ขาดเพราะว่าทั้งสองฝ่ายตามก็ไม่ได้เป็นอริยบุคคลกันทั้งนั้นเป็นเพียงแต่ฝ่ายที่ลูกคําหลักปริยัติถิรนทแล้วก็อาศัยโลกิยาปัญญามาแยกแยะอธิบายพุทธภาษิตตีความเอาจึงได้เกิดการโต้แย้งกันเช่นนี้ขึ้นแต่ถ้าจะว่าการตามหลักของนิกายเทระวัฒ น, นิว่ากันตามหลักนิกายเทระวัฒน เทรวาดแล้วถือว่าจิตจะว่างน่ะไม่ได้จิตไม่มีว่างแต่คำว่าว่างนั้นอาจจะหมายถึงว่าว่างจากกิเลสบางเหล่าจึงยิยอมรับแต่ที่จะบอกว่าจิตว่างจากอารมณ์เด็ดขาดนั้นไม่มีเลยนี่ขปิในกายเทรวาดนะนี่เป็นมติในิกายเทระวาดนีกายเทรวาดบอกว่าจิตว่างจากอารมณ์บางเหล่าได้เช่นว่างจากกิเลสบางเหล่าว่างได้ แต่ที่ไอที่จะบอกว่าว่างจากอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าเลวไม่ได้เพราะอะไรเพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะต้องรู้อารมณ์นี่ในในลหลักปริศนาในด้านอริธรรมของนิกายเทวะจึงได้จำกัดความหมายของคำว่าจิตลงไปว่ า, าธรรมชาติชีวิจิตนั้นเพราะรู้อารมณ์อารมณะวิชานาะติจะต้องเป็นผู้ที่รู้อารมณ์ ธรรมชาติทั้งจตจะต้องรู้อารมณ์เป็นนิสแม้แต่ในขณะที่อยู่ในพระสมาบัตรก็ดีอยู่ในมัคคิจิตผลจิตก็ดีในขณะนั้นก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แม้ในขณะที่นอนหลับไม่มีฝันก็ดีในพื้นเทพวังกจิตนั้นก็ต้องเอาอารมณ์ในอดีตชาติหรือเอาอารมณ์ในปฏิสุมพันธ์ขณะเป็นอารมณ์จะต้องมีกรรมะอารมณ์ หรือไม่ก็มีคติค ต, ติอารมณ์ผูดง่ายๆว่าจะต้องถือเอาอารมณ์ในขณะปฏิปันธีเป็นอารมณ์ของจิตจิตจะว่างจากอารมณ์ใดไๆเลยมีไม่ได้นอกจากว่างจากอารมณ์บางเหล่าแต่ไปคว้างอารมณ์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นว่าผู้ที่ได้ฌานจิตก็ย่อมว่างจากปรญยุฐานะกิเลสอันเป็นกิเลสชั้นกลางแต่ว่าอนุสัยกิเลสยังมีอยู่อย่างน้อยจิตก็ยังถือเอาอารมณ์ในฌานนั่นแหละเช่น กติณนิมิตเป็นอารมณ์ผู้ที่ได้อรูปฌานคิดว่างจากตามะอารมณ์ทั้งหมดแต่ในขณะนั้นก็ต้องเอาอารมณ์ที่เป็นอรูปฌานที่ตัวได้ฌานสมาบัตินั่นแหละเป็นอารมณ์ผู้ที่มีโลกุตระเป็นอารมณ์ผู้นั้นก็เอานิพานเป็นอารมณ์โลกุตระธรรมเป็นอารมณ์ก็เอานิพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าจิตแล้วจะเรียกว่างจากอารมณ์หรือว่างจากกิเลสโดยสิ้นเชิง าการที่จิตว่างจากกิเลสโดยสิ้นเชิงอย่างนี้เป็นจิตของพระอรหันต์แต่ขณะนั้นนะ่ะเป็นจิตของพระอรหันต์แล้วก็เกิดขึ้นเพียงชั่วแ ห, ห่งมรรคจิตผลรจิตต่อไปจิตของพระอรหันต์นั้นก็เป็นกิริยาจิตหมดต้องลงสู่ภูมิกามาวจรบางรูปาพจรบางอรูปาปาพจรบ้างแต่ว่าเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่มีอนลุย่ยไส หากว่าถือเอาการมเป็นอารมณ์ก็ได้อารูปอรูปเป็นอารมณ์ก็ได้อารูปเป็นอารมณ์ก็ได้หากจิตในขณะนั้นเราไม่เรียกว่าการมวจิระจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตเราไม่เรียกอย่างนั้นเราเรียกกันว่ากิริยาจิตเพราะว่าถ้าอรหันต์ท่านถือเอาอารมณ์อย่างมุขตชนถือแต่บุขตชนถือเอาอารมณ์เหล่านั้นด้วยชั้นทราทะถ้าอรหันต์ท่านถือเอาอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่มีชั้นทราทะ นี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างอารมณ์ของพระอริยเจ้ากับของบุตรชนแตกต่างกันแต่พระอริยเจ้าก็เห็นอย่างบุตุชนเห็นรู้อย่างบุตุชนรู้ลิ้มรสอย่างบุตรชนลิ้มรสสัมผัสอย่างบุตุชนสัมผัสเศษอ า, มามรมณ์ทางใจอย่างบุตุชนเศษข้อแตกต่างจากบุตุชนก็ตรงที่ว่าในใจของพระอริยเจ้านั้นไม่มีชั้นราคะคือความพอใ จ, ค ว, จ, จความสาิจใจความเสน่หาในอารมณ์นั้นๆัผิดกับบุตุชนบุตรชนเศษอารมณ์ใดๆแล้ว ก็ติดใจพอใจหรือถ้าเสพที่เป็นปฏิฆาพาอารมณ์ที่เป็นปฏิฆาไม่พอใจก็พยายามปัดเป่าออกไปเพื่อที่จะลิ้นรนไปสู่อารมณ์ที่ชอบใจผู้ง่ายๆว่ายังมีความกรวนกระววยแสดิน้นถ้าอารมณ์อันหนึ่งแสดิ้นไปหาอารมณ์อีกอันหนึ่งแต่ของพระ อ, อริยบุคคลนั้นไม่มีอาการแสดิ้นอย่างนั้นต่างกันเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นมติของในกายเทระวาตคําว่าจิตว่ า, วาจึงหมายถึงว่างจากอารมณ์บางเหลา่า ไม่ใช่ ว, ว่างทั้งหมดไม่ใช่ว่างจนไม่มีอะไรเลยไม่ใช่งานว่างจากอารมณ์บางเหลา่านั้นเองนะส่วนอีกนิกายหนึ่งในทางมหายามคือนิกายเซนนิกายเซนก็คือแบบนิกายโยคาจาระไอเดียดิสันไกลกลายถือว่าจิตนั้นว่างจากอารมณ์เด็ดขาดได้ไม่มีเลยธรรมชาติจิตเดิมบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเลยกิเลสเป็นของจับภายหลังทามาจับ จิตธาตเดินจิตเดินแท้เป็นของบริสุทธิ์พุทพองไม่มีกิเลสเลยแนมะ้แต่นิดนึ่งเป็นพุทธะเป็นความจริงเป็นภูตะแต่ว่าเป็นของว่างเปล่าจากอารมณ์โดยสิ้นเชิงผู้ใดสามารถยังจิตให้ปลอดจากอารมณ์โดยสิ้นเชิงได้ผูนั้นก็บรรลุ ถ, ถึงพุทธะคติอย่างนี้เป็นคติของนิกายเป็นซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของมหายาติเป็นนิกายหนึ่งของมหายา น, เ, น, าย น, ายานเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็น ในทางพัฒนาในตีความหมายคํำว่าวางธรรดาเกที่อาจารย์แตกต่างกันเช่นนี้พ่อพ่อแย้งถึงมีเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราเป็นนักศึกษาเข้าใจทุกศาสนาทุกวัตถิทุกนิกายทุกแขนงปรชัชญาแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลาโต่แย่งกับใครเลยเพราะเราเข้าใจว่าอ๋อมติอย่างนี้เป็นของนิกายเซนนะมะติอย่างนี้เป็นนิกายเถราวาดนะมะติอย่างนี้เป็นนิกายมาเทยมิกนะนิกายมติอย่างนี้เป็นนิกายตระวาสีวาดนะเราชี้ไป สู่จุดเดิมที่มาของแต่ละวาทะได้แล้วไม่ต้องโต้กันไม่ต้องโต้เพราะว่าวาทะทั้งหมดนี้เป็นเพียงแต่คําอาธิบายขยายความพุท ธ, ธมติเป็นคําตีความพุท ธ, ธมติของบรรดาเกจิอาจารย์ภายหลังที่ศึกษาพุทธวจนะแล้วต่างอาจารย์ก็ต่างแต่งขยายความตีความอธิบายออกมาอุปมาค้ายๆว่าเรียนกฎหมายมาเล่มเดียวกัน แต่ทนายโจดตีความกฎหมายข้อนี้ไปอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของโจดทนายจำเลยก็ตีความกฎหมายข้อนี้ไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ของจำเลยแล้วก็ศารก็ตีความกฎหมายข้อนี้ไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ความยุติธรรมทั้งสามฝ่ายก็เรียนกฎหมายเลื่อเดียวกันครูเดียวกันวิทยาลัยเดียวกันแต่ทําไมเกิดตีความแตกต่างกันได้ล่ะนี่เป็นมติของเกจิอาจารย์ฉั้นใดเออธรรมะผมรู้จักการศึกษาธรรมะ การที่ศาสนามีลรที่มีกายต่างๆออกมาก็กเกิดจากการตีกวางของบรรดาเกจิอาจารย์รุ่นหลังนี่แหละขยายความเอาตีความเอาเพราะฉะ น, นั้นนักศึกษาชาวพวุทธจึงจะต้องมีใจกว้างขวางพอที่จะรับฟังมติต่างๆของอาจารย์เหล่านี้โดยอย่าพึ่งไปผูกพันกับม ต, ติใดมติหนึ่งแล้วก็ไตร่ตรองช่างด้วยโยนิโสมันหาติการเห็นว่ามาติใดที่มากด้วยเหตุผลเราก็รับปฏิบัติตามมาตินั้นก็เป็นไช่ได้ นี่เป็นเรื่องขสุญญาตาในวันนี้เขาจบเป็นสุญญาตาเพียงตรงนี้ครับท่านทุกหนึ่งถามบอกว่าสุญญาตากับนิพานน่ะเป็นคําเดียวกันหรือเปล่าไม่คําเดียวกันละครับนิพานนังประมังตุ้นย่างนิพานน่ะเป็นคำที่สูญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพราจะอธิบายแล้วสุญญาตาเน่ยเป็นคล้ายๆกับจะเป็นคุณลักษณะของนิพานเนี่ยนิพานว่างจากความเกิดแก่เจ็ตตายว่างจากกิเลเพราะฉะนั้นจึงเป็น คำอธิบายลรกคุณสมบัติของนิพพานจริงๆตาุนิยตากนิพพานอีกในหนึ่งถ้าจะถือตามมติของนิกายมาเทียมิสญญาตาุนิยตากนิพพานอันเดียวกันนิกายมาเทยมิสญญาตาุนิยตากนิพพานอันเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านนาคารชุนซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ผู้ตัง้งนิกายมาเทียมิสท่านจึงกล่าวบอกว่าโลกกับนิพพานน่ะไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สอง ผู้ใดเห็นโลกแตกต่างจาก น, นิพพานผู้นั้นไม่รู้จักนิพพานผู้ใดเห็นโลกเป็นนิพพานผู้นั้นก็ไม่รู้จักนิพพานโดยประมาทแล้วโลกกับนิพพานนั้นไม่ใช่อันเดียวกันหรือไม่ใช่แตกต่างกันนี่ท่านว่างนั้นเพอะไรละ่ะเพราะเพราะว่าโลกก็เป็นสุญญตาความดับโลกอันเป็นสภาพสุญญตานั้นเป็นนิพพานนิพพานก็เป็นสุญญตาเข้าใจไหมฮะ เพราะฉะนั้นในตามนัยะนิกายมาเทยมิกนิพานกับสุญาตาอันเดียวกันก็ต้องว่าตามนัยะของแต่ละนิกายแต่ถ้าว่าตามนัยะของนิกายเทรวาสนิพานกับสุญาตาสุญาตาเป็นคุณสมบัติของนิพานเพราะผู้ที่ถึงนิพานแล้วย่อมว่างจากโลกโกลัหลงว่างจากเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าสูน่ะสูนอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงสูนิพานไม่มีนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องอภิษ ทำความเข้าใจว่าคำว่าทุ่งยาตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอันนี้สําคัญที่สุดอย่าไปได้ยินมาฟอกเจอคาว่าสูนเนี่ยตาเราคิดถึงว่าไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะท่านใช้คําว่านักที่ตาไม่ใช้คำว่าศูนจะตานิพานว่าถามว่านิพานมีอารมณ์ไหมนะฮะไม่มีสิครับตบูนิพานเลยมีอารมณ์นิพานเน่ยเป็นเพียงแต่เป็นอารมณ์ให้ใครกับคนอื่นเขา แต่ในโตัวนิพพานไม่มีอารมณ์หรอกคุณผู้ที่ปฏิบัติถึงมัคคิจผลจิตแล้วไม่ต้องถึงแค่โคตรตะพูจิตก็พอมีปรัชนายานสิแห่โคตรตูยานแล้วท่านผู้นั้นก็่วงเอานิพพานมาเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นนิพพานจริงเป็นสิ่งที่ถูกกระถูกให้คนอื่นถ้าเอาไปเป็นอารมณ์ในตัวนิพพานเองไม่มีอารมณ์อาจารย์นะฮะตัวนิพพานเองนไม่ได้เป็นอารมณ์เพราะนิพพานเองไม่ใช่มีชีวิตจิตาจารย์รูไหมนิพพานไม่ใชจิต แต่คลอยมีอารมณ์มเข้ากปล่าแต่นิพานเป็นสิ่งที่จะให้คนอื่นเขาเอาไปเป็ารมณตัวนิพานเละนั่นเองแหละเป็นตัวอารมณ์สําหรับผู้ที่ก็จะเอาไบ ป, ปฏิบัติเอาไปเป็นอารมณ์ธรมติที่บอกว่าจิตเดิมว่างอยู่แล้วกิเลสเป็นของมาจากภายหลังหรือว่าจิตเดิมนั้นบริสุทธิ์มาติอย่างนี้ไม่ใช่นิกายเติละว่านิกายเซนมาตินิกายเซนคุณนิกายเซนสองอย่างนี้หมดจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้ไม่เกิดไม่แก้ไม่เค็บไม่ตายจิตเดิมแท้เป็นนิพานจิตเดิมแท้นั้นว่าาางรจกกเล กิเลสต่างๆพึ่งมาเกอะป่วยมาเป็นอคันตุตะแขกหน้าไม้แปลกปลอมเจาะจอ น, จอนเข้ามานี่กายเซนสอนอย่างนี้ดักเดิมของนี่กายเซนเซนอ่ะเขาสอนอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉนั้นมตินี้เราก็ต้องฉีกอับไปบอกว่าอ๋อผู้ใดว่าอย่างนี้ว่าจิตเดิมแทบบริสุทธิ์จิตเดิมแท่ว่างจากกิเลสมาติกวาระพระอย่างนี้เป็นวาระนี่กายเซนฝ่ายมหา ย, ยานแต่ว่าถ้าวาระของนี่กายเทราวาดแล้วคําว่าจิตเดิมแท้ไม่มีไม่เจอในบาลีเลยไอ้คาว่าเดิมเนี่ย เวลาคนแปลภาษาไทยเป็นมาเองเามาคาว่าเดิ ม, มดประพัดกรณีดังพิเกเวจิตตังดูก่อรพ่สุทางหลายจิตนี้ประพัดสอนไม่มีคําว่าเดิมไม่มีในบาลีหาคาว่าเดิมไม่เจอตอนนี้นักเลนที่แปลภาษาบาลีนักเลงบาลีที่แปลบาลีเป็นไทยเนี่ยไปคว้าคาว่าเดิมมาจากไหนก็ไม่รู้มาใส่เข้าไปจึงได้หลงผิดกันเข้าเอาพกเข้าโรงเป็นการใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยคาว่าเดิมมาเองนี่นะไปถามนักเรียนวัทยากรบาลีทั้งหลายก็ได้ว่า คำว่าพตทธรังมีดังติดตั้งทิโกเวเนี่ยคําว่าเดิมมีที่ไหนไหนกลับแล้วว่าเดิมมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคําว่าเดิมน่ะผู้แปลใส่เข้ามาเองจิตเดิมแล้วมีนั้นเขามีคําว่าแท้เข้ามาอีกในบาลีไม่มีคาว่าแท้มาจากไหนเลยไม่มีเลยเดิมแท้ของคํานี้ไม่มีในบาลีถ้าจะมีก็มีเฉพาะในนิกายเป็นแ่ละนิการเป็นเขาว่างั้นจริงๆว่าจิตเดิมแท้จริงๆริงเขาเรียกว่าปึงแสภาษาจีนเรียกว่าปึงแตสปึงแตสคุกแสเรียกเนี่ยไอ้ปึงนี่แปลว่าเดิม แต่คือสภาวะสภาวะดั้งเดิมหรือตึงซิมเกี่ยงจืดตึงซิ ม, ะมะกักจืดตึงแตสภาษาจีนนะเกี่ยงจืดตึงติมแต่ว่าเห็นจิตเดิมของตัวเองกักจืดตึงแสตัศรู้ในภาวะดั้งเดิมของตัวเองนี่นี่คำว่าเดิมแท้ละวะ่านี่กลายเป็นภาพจีนคำว่าเดิมแท้ร้อยเปอเซ็นแต่ว่านีกายเป็น ว, ว่าภาคบารีคําว่าเดิมแท้ไม่มีประพัดสอนแต่ว่าผุด่องหรือรัศมี คำนี้อยาแปลว่าดู ก, ก่อรที่จุดทั้งหลายจิตนี้มันห่องใสจิตนี้มันผุดทองแปลงนี้จิตนี้มันห่องใสจิตนี้มันผุดทองจิตนี้มีแสงประพัฒสอนี่แปลงนี้แล้วว่าผุดทองมีแสงในตัวห่องใสเนี่ยไอ้เขาไม่ผุดทองกับผ่องใสเนี่ยไม่ได้ไหมายบอกว่ามันในวิกลสนะไม่ได้ไหมายอย่างนั้นเลย <S <S แล้วตอนนี้วิเคราะห์พุทธพาติดต่อไปว่าที่คุณเศ้ามองไปเน่ะเพราะ อคติตุกะกิเลสจรมาอคติตุกะกิเลสอคติคำตุกะกิเลสคืออะไรอุปกิเ์ส16ในอุปกิเลสิบหกนี้ไม่มีคําว่าอาวิชชาไปดูให้ดีเถอะในวัดภุประมาสูตรบาลีมัชฌิมมณิกายท่านแสดงอุลักษณะอุปกิเลส16แกงไว้เป็นข้อๆดิเดียร์ในนั้นไมมีอวิชชานั่นก็คือแสดงว่าจิตตัวข้าศน์มีอวิชชาอยู่มีอวิชชาอยู่ ที่ว่าทองสายหนักคือทองสายเพียงแต่ว่าไม่มีอุปกิเลสิบหกเท่านั้นเองแต่ห า, าหาได้หมายความว่าจะไม่มีอวิชาไปด้วยหาไม่ได้เพราะในอุปกรณ์สิบหกนั้นไม่มีคําว่าอาวิชาในนั้นเลยนั่นก็คือแปลว่าในจิตพัฒน์สอ น, นั่นแหละยังมีอวิชาอยู่แต่ที่ว่าดีกว่าพัฒน์สอนและผุดทองหนาะเพราะไม่มีอุปกิเลสิบหกอุปกรณ์สิบหกถ้าจะย่อแล้ว ก็ได้กันนิวณ์หนี่แหละอยู่ในหมูนิวณ์หย่อย่อทั้งสิบหกข้อลงไปแล้วรวมอยู่ในนิวรณ์ห้าพวกง่ายๆอยู่ในการมชันทะพยาปาทะอุทจัปกุจจะนี่พิจิกิจฉานี่ประเภทนี้อยู่ในนิวณ์ห้านิวณ์ห้านั้นน่ะเป็นเพียงแต่ทําใจให้ทองสายเท่านั้นเองเพราะนั้นพระพาสิชชิ่งมีทั่วไปบอกว่าพอที่สุได้บันเพทงถึงประผลฌานจิตทองสายในภายในใช้คํานี้กีเดียวพรตัมมฌานก็จิตทองสายแล้ว ภูติยฌานก็ถ่องสายในภายในกระทั่งถึงเจตุสฌานถ่องสายในภายในทั้งนั้นนี่แหละจิตภษษษษัสสอนเพราะฉะนั้นจิตภัสสอน่ะเล็งเอาก็ได้แก่ภูมิธรรมตั้งแต่พอพระฌานขึ้นไปนี่แหละเป็นจิตภษษษัสสอนเนี่ยเอาแค่นี้เองมไม่ได้หมายความว่าจิตนะ่ะเป็นนิพพานเลยไม่มีกิเลสอวิชาก็ไม่มีแล้วในขณะนั้นเปล่าอุปกิเลสสิบหไม่มีอวิชชาสมคอเข้าไปเลยแม้แต่ข้อเดียวนี่เพราะฉะนั้นเราต้องแยกกวาเอาวาธานิการใช้มาพูด ถ้าวาดตาท่านี้กายเซนไม่เสียงเป็นจริงตามนั้นว่าจิตเดินแท้บริสุทธิจิตคือนิพพานจิตเดินแท้ไม่มีกิเลสกิเลสเป็นของแปลกปลอมเข้ามาภายหลังจิตเดิมแท้เป็นของว่างนี่ว่าตามนี้กายเซนถูกต้องร้อยปเซนตามนี้กายเซนแต่ถ้าจะวาตามนี้กายเทรวาดแล้วผิดนิกายเทรวาดไน่ได้สอนอย่างนี้เทระวาสอนตามมายาง ผมก็ต้องถือตามเทรวาสิครับผมเห็นธรรมนิกายเทรวาสเพราะเราพราะผมถือว่าธรรมะในนิกายเทรวาน่ะเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์กว่าธรรมะนิกายอื่นเพราะว่านิกายเทรวาสเป็นนิกายอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวตีดในพุทธศาสนาจึงพยายามจะรักษากำหนดธรรมเนียมประเพณีและหลักธรรมะโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกับการเวลามากนะไม่ใช่ว่าหมายความว่าธรรมะในเทรวาสหรือประเพณีในเทรวาสจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะมีเหมือนกัน แต่มีน้อยพยายามรักษาของเดิมไว้ไม่กล้าไปแตะต้องไปเพิ่มเติมไปขยายความอะไรมากๆไม่กล้าเราก็ต้องถึงตามเทราวาตใช่ถ้าจิตเดิมบริสุทธิ์แล้วก็พระอรหันต์กลับกลาเป็นบุุรชนได้สิอา่าวถ้าจิตเดมบริสุทธิ์แล้วก็ว่าตามว่าตามเทราวาทใช่ไหมฮะถ้าอรหันต์กลับกลายเป็นบุตรชนได้สิไปไปก็เสือ่อมอรหันต์ผลก็เสื่อมกลายเป็นบุตรชนจบบริสุทธิ์แล้วทำไมยมังมาเปลี่ยนไหตใจเกิดอยู่อีกะ ใช่ไเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าไอ้จิตเดิมบริสุทธิ์นะไม่มีในพุทธศาสนานิกายเิลวาตไม่เคยสอนว่าจิตเดิมบริสุทธิ์คำว่าจิตเดิมไม่มีในนิกายเิลวาตคำว่าเดิมไม่พบไม่ไม่มีเลยแม้แต่คำว่าเดิมเนี่ยหาไม่เจอแล้วคำว่าเดิมอะตามนิกายเิลวาตนะมีแต่คำว่าจิตประพัดสอนจิตนี้มีเป็นธรรมชาติผ่องใสนะถูกไห้แค่นี้เองอะมันมีคำว่าเดิมคำว่าแท้สองคำนี้ไม่มี บาลีตอนนี้ไปให้หนักพยากร์บาดีแปลงไงก็ไม่เจอคำว่าเดิมคาว่าแท้ออกมาได้เลยไม่มีเลยแล้วเรามาคิดกันง่ายๆว่าถ้ามันเดิมแท่บริสุทธิ์แล้วแล้วทําไมให้กิเลมันจับล่ะอ้าวมาเขาก็ายังมีอวิชาเฮ้ยยังรับว่ามีอวิชาเขแปลว่ามันยังไม่บริสุทธิ์แต่ซึ่งยยังมีอวิชาอยู่นั่นก็คือว่าไอ้คำว่าเดิมแท้มันไมมันไม่มีแล้วเพราะยังรับว่ามีอวิชาอยู่จึงต่อยกิเลมเข้ามาจับใช่ไหะ คล้ายๆว่าไอ้กิเลสที่เข้ามาอคันตุกะกิเลสอ่ะกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบน่ะเป็นแขกแปลกหน้าพระพุทธองค์ใช้คําว่าอคันตุกะกิเลโซแขกที่จอดมากิเลส ท, ที่จอดมาทีเดียวถ้าเจ้าบ้านเป็นคนรู้เท่าทันไอ้พวกนี้ว่าไอ้พวกนี้เป็นโจรแล้วเจ้าบ้านจะยอมรับหรือนี่เพราะไม่รู้เท่าทันไม่รับเขาเข้ามาใช่ไหมยังให้เข้ามาเกือบงามใช่ไหมนั่นแสดงว่าเจ้าบ้านยังโง่ก็คือว่ายังมีอวิชชาตัวเองในพื้นเดิมจะเป็นกของบริสุทธิ์ไม่ได้ ตามตักก์กันไหตามตักกัน ไ, ห น, น, กก น, ไหนหลังตักกัและคิดอย่างหลักของตักกวิทยายอย่างให้รออีกประจับเพราะฉนั้นวาระาของเขาใกายเทราวาะวัตจึงเป็นรู้สึกว่าบริสุทธิ์ดั้งเดิมมากกว่าเพราะธรรมะใ น, นิกายเทราวาตนี้เราพยายามเป็นฝัจยอนุรักษนิยมนี่คอนเซิร์ตเ บ, เ บ, เบสิเดียธรรมะในเทราวาตในสายตานิกายอื่นเห็นพวกเทราวาตว่าเป็นพวกจารีตนิยมไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรกับการเวลาเลย เพาเหตุนี้เราจึงรักษาธรรมะส่วนใหญ่ให้บริสุทธิ์ของพุทธองค์ไว้ได้ส่วนธรรมะต่างๆนานานิกายที่แยกแต่เทววัตออกไปนั้นเขาเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอธิบายตามมติเกจิอาจารย์แล้วก็สาวสกก็เชื่อตามคําอธิบายของเกจิอาจารย์แยกย้ายเป็นนิกายต่างๆกันออกไปเราก็ไม่ได้คัดค้านเขาไมา่ใช่ว่าจะถือเอาคติเทววัตแล้วไปหักลามหักโค่นเขากข็าาาผิดนะเราเป็นชาวพุทธกัน ต่างคนต่างศาสนาต่างนิกายไปก็ท่านก็ประกาศ น, นิกายท่านผมก็ประกาศ น, นิกายผมแต่เราก็รู้ว่าอ๋ อ, อนี่เป็นวาระนิกายนั้นนี่เป็นวาระนิกายนี้เพราะฉนั้นใครจะมาตร้างปัญหาถาม ว, า ว, าว่าอย่างนี้ผูกไปถูกเราต้องย้อนถามเขาก่อนมาเอานิกายไหนเอานิกายไหนทานิกายนี้ก็ว่าอย่างนี้นิกายนัย่ น, น, ก น, นก็ว่าอย่างนั่นละแล้วคุณจะเชื่อนิกายไหนก็ตามใจของเราสว่างกลางนี่แหละอ่มีจิตโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้ตามมติของอภิธรรมในนิกายเทรวาดหาต้องจากัดลงไปอีกแหละ ครับมีอยู่ก่อนกับจิตกระทบอารมณ์เป็นอนุสัยกิเลสขณะที่กระทบกับอารมณ์น่ะเป็นปริยุทธฐานากิเลสกับวิติกรมากิเลสกิเลสที่3ชั้นนี่คุณอนุสัยกิเลสน่ะมีมากับจิตพร้อมกันเลยจะว่าใครเกิดก่อนใครเกิดหลังไม่ได้มีมาคู่พร้อมกันเลยคู่มาพร้อมกันเลยนะ คุไอ้ที่มากระทบกับอารมณ์เกิดกิเลสนะเป็นกิเลสอย่างกลางกับอย่างอย่างอย่างอย่างหยาบอย่างละเอียดมีมาพร้อมคู่กันตั้งแต่แต่อ่อนแต่อ่อนตั้งแต่ปุเรชาตินักไปทวนเกิดท้อมหน้ากันมาจุงแขนกันมาเลยไม่เที่ยงสิก็จิตยังไม่เที่ยงเมื่อกี้จะเป็นของเที่ยงยังไงมันก็กิเิตเกิดมันก็เกิดตามจิตจิตดับมันก็ดับตามจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันของคู่กันนี่จิตจ็เกิดต้องมีอาร์ เลยลำพังของจิตนะ่ะไม่ได้จิตของมันอ่ะมันถึงเอาอารมณ์ถ้ามันไม่มีเลยนะมันต้องถึงเอาอารมณ์ในภูริชาตเป็นอารมณ์ในชาตนี่มันเอ า, อารมณ์ปัจจุบันในพวังอนะ่ะพระวังขจิตต้องเอาอารมณ์ในปฏิสุทธิี่ขณะเป็นอารมณ์มันอยู่โดยลำพังมันก็เอาอารมณ์ในปฏิสุทธิที่ขณะเป็นอารมณ์อ๋อไอ้นี่นะ่ะ นี่ท่านแสดงโดยหลักปัจจุบันนอัตตาคุณต้องแบ่งอัตตาสามอตีตาอัตตาอวิชาสังขารในอตีตอัตตาแล้วก็ตั้งแต่วิญญาณนามรูปสราญนาผัสสะเวทนาปัญหาเป็นปัจจุบันอัตตาซึ่งจะยังผลในเกิดเพราะปัิจัยชาติโน้นเป็นอนาคตอัตตาคุณต้องแบ่งอดีตอนาคตปัจจุบันเด็กไอพิว่าผัสสะกระทบเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัญหานี่แสดงปัจจุบันอัตตาหมายถึงรับอกิเรศปัจจุบันซึ่งจะก่อผลในส่งไปเป็นอนุสัย นายพื้นสันดานธุรจิตต่อไปในอนาคตแต่ไม่ได้คุณอย่าไปไประจเส้นอดีตสิอดีเขามีมาแล้วอวิชาสังขารถ้าไม่มีอวิชาสังขารจากอดีตแล้ววิญญาณใชาตินี้ก็มีไม่ได้ปฏิสุธิวิญญาณก็มีไม่ได้พราะฉะนั้นคุณต้องแยกประเด็นว่าอะไรเป็นอติจจ ա ทาอะไรเป็นปัจจุบันอัทาอะไรเป็นอนาคตต า, าทาไม่งั้นถ้าแยกเป็นปสามส่วง3าปลอกทำไมล่ะเรื่องของพวะจนกเนี่ยแบ่งเป็น3การอดีตการปัจจุบันการอนาคตการที่คุณว่าในคุณว่าปัจจุบันการด้วยเรื่องอดีต อ่าได้เปล่าเอาวิชาที่อยู่อดีตนะเราไม่ใช่ไปดับถึงอดีตเอาวิชาไม่ใช่อยู่อดีตแล้วก็แล้วก็อยู่เงียบอยู่เฉพาะอดีตนะมันก็ตามมาในใจเราตลอดทุกปัจจุบันแหละไม่ใช่มาอวิชาแกะไปอยู่ในห้องขังเอาแกไปก่อนแล้วมาทํางานนอกห้องแล้วเวลาจะดับต้องไปขัดโดยประตูห้องดับมันก้าวถ้าอย่างนั้นเราอวิชาก็ไม่รับผูกไปสิหยิบยกออกจากใจได้ไปฝากใครไว้ก็ได้ไปฝากเงรัฐจำนำวันรับจำนำเอวิชาไว้ก่อนก็ได้ไม่ใช่ มันติดอยู่ในอารมณ์ในใจของเราหนิแหละพวกเง่าวว่าอาวิชชาเป็นพื้นเพของอารมณ์ของใจเลยแม้ในขณะที่ใจผ่องสายอย่างคำว่าประพัดสอนเนี่ยก็ยังมีอวิชชาอยู่ยังมีอยู่ถ้าไม่มีอยู่แล้วกมันจะไม่ปล่อยให้อะ ก, กิเลตจ้องเข้ามาเข้ามาได้เส้ได้หรอกคุณที่มันยอมให้อกิเลตจ้องเข้ามาไดน้นั่นแสดงว่ามันยังมีอวิชชาเป็นพื้นเพอ ย, อ ย, อยู่มันถึงโง่พอที่จะเปิดประตูรับกี่เลยให้เข้ามาว่าเข้ามารับเข้ามานี่ใช ร้อนอยู่ตลอดเวลาร้อนอยู่ทุกคนก็ร้อนแต่ร้อนมีสองแบบนะร้อนร้อนออกมาข้างนอกอย่างหนึ่งการร้อนเป็นไฟสุ่มขอนอย่างหนึ่งเ อ, อ๋อาเอาดูไกิเลสนะเหมือนกับไฟที่ถูกที่เท้ากรดดูเป็นหนึ่งว่าเย็นดูเป็นหนึ่งว่าดับแล้วแต่พอเสียที่เท้าอาปากเปล่าก็คุกนี่ชั้นใดกิเลสที่แฝงในใจเราก็เหมือนกันล่ า, ากำลังหัวเลาะด้วยความชื่นบานล่ า, าจะทำฌานสมาบัติด้วยความสงบแต่นั่นแหละก็ยังถูกกิเลสเผาอยู่ แต่มันมีอาการเผาอย่างเผาปลาหนี้เผาโดยที่เราไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ศักษาจึงบอกว่าแม้แต่พวกพรมก็ยังถูกไฟเผามีระบาดสูงสูงอย่างนั้นอ่ะคุณคิดดูสิไม่ใช่ว่าไอร้อนนี่ตกแต่งอาการโจนก็ว่ายออกมาจริงที่ว่าร้อนเพราะกิเลสไม่ใชไ่ไฟเย็นเงีไฟเย็นเผา ตอนอย่างชนิดชั้นยาไปชั้นกลางเนี่ยเราไม่ได้มีอยู่กันเป็นประจำทุกคนหรอกมีเป็นพักๆอย่างเราเนี่ยเวลาโกรธเราก็ไม่ได้โกรธตลอด24ชั่วโมงก็มังมีบางเวลาใจคอผ่องใสบางเวลาร้องไห้บางเวลาโวเรายสลับลกันเพราะเราอย่างนี้ที่เราจึงเป็นหลักอนุมานได้ว่าในขณะที่เราใจคอผ่องใสโดยว่างจากกิเลสปั่นเหล่าได้เรายังมีความสุขเพียเพียงนี้เลยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ล่ะถ้าเราสามารถสุ คุยเอกิเลสอาสวะปัญหาติดอยู่ในพื้นเพลิงใจออกหมดนะ่ะเราจะสุด